ตอรีถ้าตัดความเป็นไปไม่ได้ออกไปซะสิ่งที่เหลืออยู่นะ่ะถึงจะไม่อยากเชื่อก็ตามแต่มันก็คือความจริงนะ